อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมาราบุรุนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเราพบกันเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่14ตุลาคมแล้วล่ะค่ะวันนี้เป็นวันแรม14ค่ําเดือน10ปีมะโรงนะคะก็อย่างที่สัญญากันไว้นะคะว่าในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์นั้นอดิฉันก็จะได้กลาบนิมนต์ พระอาจารย์ูัยบุญพิปุโ น, โนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมปริเล็นตามพุทธวจนะหรือพุทธโอษขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตําบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาสาักษาหรือสนทนาธรรมะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะซึ่งก็จะได้ทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการซักถามต่างๆค่ะทั้งนี้ก็อยู่ในความควบคุมดูแลและก็ให้ การปรึกษาหารือของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดทโตภาโหรือท่านพระครูสิท ธ, ธิประภกรท่านเจ้าอาวาสวัดอาดอไหโซค่ะเมื่อชาเมื่อวานเราได้พูดคุยถึงอานิสงคของการสวดมนต์นะคะเช้าวันนี้เรามาพูดถึงอานิสงคของการปฏิบัติธรรมบ้างดีไหมคะท่านผู้ฟังคะเพราะว่าตัวเดนเองก็อยากจ ะ, ะทราบ มากเท่ากับท่านผู้ฟังทางบ้านอีกเป็นจำนวนหลายร้อยหลายพันคนคะ่ะว่าการที่เราได้รับการชักชวนหรือเราไปปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยมีอันนี้ส่งอะไรบ้างนอกจากพื้นๆที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าเราจะสามารถทำจิตใจให้สบายขึ้นอะไรต่างๆนาะนาะนะวันนี้มากราบน้ำมศการพระอาจารย์ไพบูลอภิปุนโนแล้วก็รับฟังท่านพูดคุยสาธยาย กันอย่างจริงๆว่าอา น, นิสง์ของการปฏิบัติธรรมหรือไปปฏิบัติธรรมของเรานั้นจะมีอย่างไรบ้างนะคะขากลาบนมัส ก, การเจ้าค่ะ พ, พระอาจารย์เจ้าขาเทมปานสาธุเจ้าค่ะยมก็ขอกราบนมัส ก, การเรีเยน <thế S 1> ถามเลยเจ้าค่ะว่าอา น, นิสง์หรือผลบุญเนี่ยของการที่เราไปปฏิบัติธรรมอ่าไม่ว่าจะเป็นที่วัดป่าดอนไฮโศกหรือว่าเป็นที่ไหนวัดไหนก็ตามแต่เนี่ย <season. S 1> ลลมีอย่างไรบ้างเจ้าค่ะนิมนเจ <lighter. S 1> ้าค่ะเอาไรตั้งแต่แการ พูดถึงรูปแบบของการปฏิบัติก่อนนะคื อ, คอทําว่าไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณไปทําอะไรบ้างถ้าไปสวดมนต์ก็อย่างที่เราได้พูดไปเมื <th> ่อวานใช่ <IA> ไหมคุณมีการสวดมนต์อ่ะสวดมนต์ก็อันนี้ส่งอย่างที่คุณจะหวางได้ที่เราได้กล่าวไปเมปื่อวานแต่บางทีคนไปปฏิบัติธรรมคุณก็ได้ถวายทานด้วยใช่ไหมได้ให้ทานด้วยทานนั้นก็จะมีอันิี้ส่งของการให้ทานอยู่ใช่ไหมอันนี้ถ้าที่คุณตื่นใจถามพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยคงจะหมายถึงการที่ไปนั่งสมาธิ ใช่จ้ะค่ะใช่ไหมถ้าเราพูดถึงการปฏิปธรรมด้วยการนั่งสมาธิหรือนะการเดินจงกรมด้วยการไปฟังธรรมะพวกนี้นะัะบุญชาตรัสไปแล้วชัดเจนเลยบอกว่าพิสูจทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดนะเธอผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ได้ตามที่เป็นจริงพวกเธอทั้งหลายจงประกอบความเพียรในการหลีกเล่นเถิดเธอผู้หลีกเล่นย่อมรู้ได้ตามที่เป็นจริงอวันนี้สงใหญ่สุดก่อนเลยนะ เกิด น, นี่สองอย่ที่สุดก็คือคุณจะรู้ได้ตามที่เป็นจริงให้รู้ได้ตามที่เป็นจริงนั้มันเกิด อ, อะไรฟังยากเหลือเกินก็คือความจริง4อย่างนะีได้แก่อริยสัจสี่นะีคืออริยสัจสเรื่องทุกเรื่องสมุทัยเรื่องนิโรเรื่องมรรคเราฟังมาตั้งแต่เด็กแล้วจําได้เลยนะเนาะเฮ้ยแล้วทำไมฉันยังไม่เห็นรู้เลยก็ต้องนะถามต่อไปว่าที่คุณรู้รู้เนี่ยมันรู้แบบไหนเนีเราก็ไปเดบตาธรมมาหลายที่หลายแห่งให้เรารู้หรือยัง นะก็ต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ตรงนี้ด้วยนะคื อ, อพูดถึงเรื่อง s ริเนี่ยมันก็กว้างมากนะพูดกันจนกระทั่งอดัมมาผมงอกแล้วก็ยังไม่จบอยู่ดี <c oughs> ะก็ยังจะต้องพูดต่อไปผู้ชเช่าก็เหมือนการตรัสเทศสอนมาตั้ง45ปีก็พูดอยู่เรื่องเดิมคืออริยสัจสจากแง่มุมต่างๆไม่จากทัางมรรคสมุทยัยจากนิโรธหรือไม่ก็จากทางทุกนะซึ่งสอนมากที่สุดคือเรื่องความทุกข์ ทีนี้เราต้องทําความเข้าใจว่าเอ๊ะเราไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยคือไปนั่งสมาธิเนี่ยเราหวังอะไรกันแน่นะคือถ้าจะพูดให้เจาะจงลงไปเนี่ยคือบางคนทุกคนก็ต้องหวังบุญนะนะคือคุณไปทําำคุณต้องหวังบุญเอาหวังบุญเอาไปทำอะไรบุญน่ยนะก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้อีกแล้วเหมือนกันบอกว่าบุญเนี่ยคือชื่อของความสุขอยากลัวแต่บุญอยากลัวบุญเลยนะบุญเป็นชื่อของความสุขนะถามว่าเอ๊ะบุญเป็นชื่อของความสุขมันหมายความว่าไงนะคือ คือว่าความสุขความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเรานะคุณเดินใ จ, จมันก็จะมาจากทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจทางใดทางหนึ่งหกทางนี้คือภาษาหนึ่นเงเราจะมีความสุขในโลกนี้เนี่ยเช่นเราขับรถกินอาหารอ ร, อ, อร่อยอยู่ห้องแอร์เ ย, ย็นๆนะพวกนี้จะมาได้ขับรถคุณมาทางไหนก็มาทางภาษาทางกายใช่ไหมอยู่ห้องแอร์เย็นๆก็มาภาษาทางกายกินอาหารอร่อยๆก็มาทางลิ้นนะมีเสื้อผ้าสวยๆก็มาทางตาด้วยมันก็มาทาง6ทางนี้มันจะมารวมกันที่นี่ นะซึ่งไอ้ทาง6ทางเนี่ยเขาเรียกว่าผัสสะนะผัสสะนี่แหละคือที่ผู้เช่าบอกว่ามันคือกรรมเก่าที่เราจะเกิดขึ้นกับเราเพรดังนั้นถ้าเราทำํำกรรมที่ดีนะมันก็จะมีผัสสะที่ดีๆมาเกิดขึ้นกับเรานะเราถามว่าเราจะมีผัสสะที่ ด, ดีเกิดขึ้นได้ยงไงก็ตัวบุญนี่แหละคุณตนใจตัวบุญนี่แหละจะเปลี่ยนแปลงมาเป็นผัสสะที่น่า ย, ยินดีน่าพอใ จ, จ ค, ค, นะคือเรากําลังสร้างบุญนะเวลาคุณตือนใจปลูกต้นมะม่วงเนี่ย เราปลูกต้นมะม่วงเราต้องการกินลูกมะม่วงถูกไหมเราลดน้ําไปที่ไหนเราลดน้ําไปที่ไหนไปที่รากจ้ะค่ะที่รากรถูกไ่มมันโตขึ้นมาโตขึ้นมาแล้วลูกมันไปออกที่ไหนไปที่ยอดอจ้ะค่ะเราไม่ได้ลดดอกมันไม่ได้ลดต้นมันไม่ได้ลดผลมันนะเราลดที่รา<ถ>ก <รถ S 2> น ะ, นะเช่นเดียวกันเวลาเราสร้างบุญเนี่ยเราไม่ได้ไปเที่ยวแสวงหาข้างนอกสร้างที่นู่นสร้างที่นี่คือการให้ทานก็ดีแน่นอนแต่เราไม่ได้ไปเที่ยวแสวงหาอย่างนั้นแต่เราสร้างบุญ ด้วยกระบวนการที่พุชธ้าบอกคือบุญญากริยาวัตถุสิบใช่ไหมมีทานศีลภาวนามีศีลสวัสดิที่ปัญญาพวกเนี้ยนะเป็นให้ทานใส่บาตรกันบ้างช่วงนี้มีงานกระถินกับสวายกระินด้วยหรือว่าไปรักษาศีลตามวัดหรืออยู่ที่บ้านก็รักษาศีลได้เเช้าเย็นนั่งสมาธิด้วยปีนึงอาจจะหาสักครั้งสองครั้งไปหลีกไปปฏิบัติที่ไหนก็ได้เนี่ยพวกเนี้ยเป็นการสร้างบุญสร้างบุญสร้างบุญสร้างบุญสร้างบุญหมดเลยนะบุญพวกนี้ก็จะรวมรวมรวมรวมรมรว รวมไปให้ผลเป็นยังไงให้ผลเป็นความสุขความสุขออกที่ไหนบางทีมันก็เป็นเงินในกระเป๋าก็มีบางทีก็เป็นชื่อเสียงกริเลสก็มีบางทีก็เป็นความสุขในใจเราก็มีแต่บางทีก็เป็นออกไปตามลูกก็มีแต่บางทีลูกเต้าเราได้งานดีเรียนจบมีเงินเดือนสูงก็มีนะนี่คือพูดถึงเหตุทางนอกๆ ก, ก่อนนะ <Okay. S 1> เหตุทางนอกๆทีนี้พูดถึงใ น, ในใจของเราเนี่ยในขณะที่เรานั่งสมาธิเนี่ยคุณเดินใจถ้าเราทําถูกทำถูกนะ ทำถูกเนี huh. hi, ่ยเราจะเห็นเราจะเห็นตามที่เป็นจริงคือเห็นอะไรเห็นเนี่ยนะคือบางคนต้องเห็นนลกสวรรค์ฟ้าดินอดีตอนาคตเห็นหมดเลยไม่ใช่งั้นนะคือถ้าคนบอกว่าไอ้คุณไม่เห็นอะไรคุณเป็นสมาธิหัวต่อไม่ใช่นะพระเจ้าบอกให้เห็นตามนั้นเห็นตามนั้นมันตามไหนนั้นก็คือเห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามนั้นอะตามที่เป็นจริงก็คือมีสมาธิถินั่นเองอะคือนั่งเนี่ยเพื่อให้เห็นเป็นสมาธิถิให้จิตของเราเนี่ยมีสมาธิถินั่นเอง ต, ตรงนี้เป็นบุญเลยนะเป็นหนึ่งในสิบอย่างที่จะทำให้จิตของเราเป็นบุญได้ทีนีถ้ถ้าถามตามที่ชาวบ้านเราธรรมดาทั่วไปนะเจ้าค่ะคำว่าพอเรานั่งสมาธิไปแล้วเนี่ยเราจะเกิดสัมมาทิฏฐิเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านเราะจะแปลว่าอะไรเจ้าคะพระอาจ า, ารย์เจ้าขสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิทิฏฐิคื อ, อความความรู้ เดีวผู spot, que, ้มีคนไปถามผู้เจ้าบอกว่าสมาธิทิฏกอะไรเดี๋ยวผู้เช่าก okay. ็คือบอกความรู้ในทุกร sure ู <t <t ้ในเห็นให้เกิดทุกรู้ในความดับไม่เหลือของทุกรู้ในทางดำเนินห่งความดับไม่เหลือของทุกก็คือรู้ในเรียีนั่นแหละเพราะฉะนั้นสมาธิทิฏคือความเห็นชอบเนี่ยก็คือความรู้นั่นเองนะคือคือเรารู้ด้วยใจเนี่ยคือเห็นด้วยใจเนี่ยนะมันไม่ได้ใช้ตาเห็นการที่เราจะเห็นอะไรด้วยใจเนี่ยนั่นคือความรู้ถูกไหมเจ้าค่ะทีนี้ไอความรู้เนี่ยมันไม่เหมือนอ่านหนังสืออ่านนะคเดินใจ อย่างเช่นว่าคุณอ่านหนังสือหรือวิธีการ ข, บขับจักรยานอย่างเงี้ยหรือขับรถยนต์อนะ่ะขับรถยนต์ก็มีการหนังสือสอนขับรถยนต์ใช่ไหม <K aud it> คุณไปซื้อหนังสือมาอา่านแล้วคุณทํา <K aud it> ข้อสอบข้อเขียนเดยวนี้ก็ต้องมีข้อสอบข้อเขียนนะเมืองไทยคุณไปกรมการขนส่งทางบกอ่ะคุณไปสอบนะยไม่ใช่ปไปยัดเงินเขานะไปสอบเนี่ยคุณต้องสอบข้อเขียนให้ผ่านผ่านเสร็จแล้วคุณต้องไปสอบปฏิบัติไอตอนสอบข้อเขียนเนี่ยมันง่ายจะตายไอตอนสอบปฏิบัตินี่สิมันยากมันไม่เหมือนกับตอนที่นั่งอยู่ในห้องสอบทําข้อสอบ หรือหมอพยาบาลเนี่ยแพทย์เนี่ยนะเขาอ่านหนังสือไอ้ไเรื่องร่างกายเนี่ยกล้ามเนื้อตรงนี้เป็นอย่างงี้กระดูกเป็นอย่างนี้ตาเป็นอย่างนี้แต่พอไปผ่าอาจารย์ใหญ่ผ่าศพเนี่ยนะโอ้ Isaac, มันคนละเรื่องเลยเจ้าค่ะแล้วพอผ่าศพผ่พาอาจารย์ใหญ่เนี่ยไปผ่าคนจริงๆเนี่ยโอ้มันคนละเรื่องประยัเลยนั่นนี่คือความรู้ที่ไม่เหมือนกันเนี่ย like คืออย่างเราอ่านหนังสือเนี่ยคือเราเรียนความรู้ของคนอื่นนะคุณเฉินใจเราเรียนความรู้ของคนอื่น ในอย่างเรา อ, อ่านหมออ่านหนังสือเกี่ยวกับกายภาพอะไรเงี้ยก็คือเรียนความรู้ของหมอคนนั้นที่เขาแต่งหนังสือ น, นี้ขึ้นมาแต่ยังไม่เป็นความรู้ของตัวเองยังเรามา อ, อ่านอริยสัจสีเนะี่ยคือเราเรียนความรู้ของผู้เช่ายังไม่ได้เป็นความรู้ของเราเราจําความรู้ของผู้เช่าได้เฉยจนเมื่อไหรเนี่ยเรารู้ด้วยใจของเรานะอันนั้นน่ยจึงเป็นความรู้ของเรานั่นคือวินยูชนวินยูชนแปลว่าผู้ที่รู้ได้เฉพาะตน วินยูชนคือผู้ที่รู้นั่นแหละเป็นผู้รู้อยู่อย่างถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้น ก, การรู้ตรงนี้นะมันไม่เหมือนกันกันกบที่ เ, เราเราเหมือนกับปัญญาชนน่ะคือปัญญาชนเนี่ยคุณไปเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทใช่ไหมเป็นด็อกเตอร์ อ, รอย่าเงี้ยเขายกย่องคุณว่าเป็นปัญญาชนปัญญาชนนนะั้แต่ที่คุณเป็นปัญญาชนเนี่ยคือคุณเรียนความรู้ของคนอื่ น, นเฉยยังไม่ได้เป็นวินยูชนนะสิ่งที่เรากำลังพูดตรงนี้คือความเป็นวินยูชนนะอย่างเช่นว่า ยกตัวอีกตัวอย่างหนึ่งก็ได้เนะพื่อให้เข้าใจความได้หมายชัดเจนยิ่งขึ้นคืออย่างสมมุติเราเรารู้ว่าตัวเราเป็นโรคอย่างเงี้ยเราเป็นไข้เนี่ยนะความรู้ว่าเราเป็นไข้เนี่ยกับความคือเราเป็นคนธรรมดานะกับอีกคนหนึ่งเป็นหมอหมอเขาก็เป็นไข้เหมือนกันหมอที่เป็นไข้กับตัวเราธรรมดาที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการแพทย์เนี่ยเป็นไข้ในความรู้ของ2คนนี้ไม่เหมือนกันนะนะเพราะว่าความรู้ของคนธรรมดาที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการแพทย์เนี่ยก็จะเป็นความรู้ตัน ไม่รู้ว่าเชื้ออะไรมันจะแก้ยังไงแต่ความรู้ของหมอเนี่ยมันรู้แล้วมั น, มนจบได้รู้ว่ามันเชื้ออะไรต้องแก้ยังไงต้องปฏิบัติตัวยังไงต้องทํำยังไงเพื่อป้องกันมีอะไรต่อไปรู้หมดเลยรู้อย่างถ่องแท้นะเจ้าค่ะใช่ใช่ชค่ะตรงนี้แหละคือจะทําให้เราเป็นบินยูชนได้แต่เพราะฉะนั้นเราเมื่อนั่งสมาร์ที่ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อให้เห็นตรงนี้นะให้เห็นโดยรอบอย่างชัดเจนนะ คือเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์ด้วยเนี่ยคือมันมีหลายแง่มุมมากนะคุณใจอย่างเราเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์อ่านี่คุณเริ่มเห็นอยู่อย่างถูกต้องละเห็นทุกข์โดยความเป็นของไม่เที่ยงอย่างเงี้ยอ่านี่คุณเริ่มเห็นอย่างถูกต้องแล้วนะคือคือเห็นสุขว่าถ้าเราจะเห็นสุขแล้วเราก็จะเอาอย่างเดียวเห็นทุกข์เราจะไม่เอาอย่างเดียวอันนี้คุณยังเห็นไม่ถูกคือเห็นอยู่แต่เห็นไม่ถูกอ่ามันก็ยังไม่ใช่สมาธิถิเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยให้เห็นเนี่ยก็ค เห็นตามที so ่เป็นจริงเนี่ยมันจริงของใครมันก็ต er. ้องจริงตามระบบของอริยสัจสี่นะพอเราเห็นจริงตามระบบของอริยสัจ4แล้วเนี่ยเราจะสามารถที่จะปล่อยวางได้นะคือคนไทยเนี่ยพูดกันมากเลยคุณต้นคุณต้ใจว่าปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางอะไรอะไรเกิดขึ้นไม่พอจะกับปล่อยวางปล่อยวางจนทําให้บางคนคิดไปเป็นเรื่องของการไม่รับผิดชอบอะไรอืมเจ้าค่ะอ่าซึ่งจริงๆแล้วมันคนละเรื่องกันการปล่อยวางเนี่ยไม่ใช่เหตุที่เราจะต้องทํำฟังอีกครั้งหนึ่งนะ การปล่อยวางเนีย่ยไม่ใช่เหตุที่เราจะต้องทำํำนเะพราะเราจะไปทําเหตุการปล่อยวางไม่ได้มันมันจะกลายเป็นการไม่รับผิดชอบนะแต่สิ่งที่เราต้องทำเนี่ยคือเหตุของการที่จะไม่ห้เราปล่อยวางได้มันต่างกันต่างกันนะฟังอีกครั้งหนึ่งนะการปล่อยวางเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปขวนขวายทําการปล่อยวางมันทําไม่ได้นะมันจะเป็นการไม่รับผิดชอบแต่เราสร้างเหตุ ข, ของการที่ทำให้จิตของเราปล่อยวางได้หมายความว่าการปล่อยวางเนี่ยจะเป็นผลที่เกิดจากเหตุอะไร มันก็เกิดจากเหตุการณ์ที่เราเห็นตามนั้นตามนั้นตามไหนก็คือตามสัมมาทิฏฐิถ้าเราเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามสัมมาทิฏฐิแล้วนะจิตของเราจะปล่อยวางได้จิตเราปล่อยวางได้นะเราจะทําการงานอย่างมีประสิทธิภาพนะเราจะไม่ยึดติดในกา ร, นะการงานนั้นนะมีเรื่องไม่ดีมีเรื่องที่ไม่สบายใจเกิดขึ้นจิตใจเราก็ยังดีอยู่นะเรายังมีความผาสุกอยู่ตรงเนี้ยเป็นจิตที่ดีมากๆเลยนี่เป็นอันนี้ส่งที่หลายๆคนมองข้ามไปว่าโอ้ฉันต้องตัวเบา ตัวลอยเหมือนมีอะไรระเบิดตู้มเห็นนรกสวรรค์โอยนั่นเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยเจ้าค่ะฮพระชาพูดถึงแบบถ้าคุณมีอภินยาเหาะเหินเดินอากาศเดินทะลุฝาเดินบนน้ำดำลงไปในดินพวกนี้ไม่ยกย่องเรื่องจิตใจเป็นของกระยักกระแวงไม่อยากทำไม่อยากเห็นไม่อยากรู้นะแต่ถ้าเธอเห็นการที่จิตเธอมีการเกิดดับอ่านั่น เห็นตามจะเป็นจริงแล้วแหม่ดีมากนี้เป็นความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในจิตของพระอาหารหันต์เป็นความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในจิตของพระผู้มีรพระภาคโหยสําคัญมากเลยนะสําคัญก <Okay. S 1> ว่าเห็นในโลกสวรรค์อีกจริงๆนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมเนี่เพื่อให้เห็นสิ่งนี้ค่ะ <Okay. S 1> คือความมหัศจรรย์ตรงนี้ว่าเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาดับไปเห็นไหมเห็นไหมว่าสัญญาคือความหมายรู้เนี่ยในจิตของเราเนี่ย มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปคุณไปนั่งสมาธิวันนี้เลยเอา้าคืนนี้คุณเห็นไหมว่ า, าสัญญาสังขารเวทนาเนี่ยมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปแม้ถ้าเราเห็นนะนั่นแหละคือความอาศัศจรรย์ที่มีแต่ตอนให้เราเห็นครั้งเดียวก็ตามเห็นนิดหน่อยไม่เป็นไรก็ยังดีนะนี่แหละคือความอาศัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในจิตของพระผู้มีพระภาคพระเจ้าบอกงี้นะ อในจิตพระพเจ้าเป็นอย่างนี้วับวับวับวัอยู่เลยวับวับนี่คือหมายถึงเกิดดับเกิดดับเห็นวับวัตลอดเวลามันมันไม่มีอะไรที่จะมากระเทือนจิตเราได้เลยจิตที่เป็นแบบนี้นหะมั่นคงอย่างภูผาหินเลยอืมเจ้าค่ะนี่ก็คือเรื่องของการอนิสงส์ที่เราไปปฏิบัติธรรมนะเจ้าค่ะใช่ใช่แล้ในการปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยก็เพื่อไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมแล้วนี่ก็ต้อง ทำให้เราเห็นอย่างเป็นจริงอย่างแท้จริงไม่ใช่สักแต่ว่าเอาละเราไปนั่งปฏิบัติหลับบ้างตื่นบ้างอะไรอย่างนี้นะเจ้าคะถือว่าปฏิบัติแล้วอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะยั ง, งยังไม่ถูกด้วยอากา ร, รของการไปปฏิบ<า>ัติถือว่าปฏิบัติทําแล้วยังไม่ถูกไงต้องอยู่ที่จิตเจ้าค่ะก็คือสําหรับการที่จิตเราจะรู้เห็นตามที่เป็นจริงอย่างที่พระอาจารย์ไพบูรณ์ได้เมตตาสากฉามานะเจ้าคะมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะ นึกว่าเราทําอย่างนี้แล้วมันจะถึงอย่างนี้แต่ว่าเมื่อรู้ตามที่เป็นจริงแล้วเนี่ยจิตก็จะสว่างสไยขึ้นมาเองคือรู้ได้ด้วยตัวเองใช่ไหมกใช่ใช่ชใชคือมันมันเราจะไปกะเกณฑ์ว่าอะไรอย่างนั้นมันไม่ได้พราะชอบเปรียบเทียบกับว่าอย่างช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนฤดูทํานาเนี่ยเอาเชาวนาเขาหวานข้าวไปแล้วเขาเตรียมดินก่อนนะหวานข้าวไปหวานข้าวเสร็จแล้วเขาขายน้ําเข้าขายน้ำออกแล้วเขาหวังว่าเออพรุ่งนี้ข้าวกล้าต้องโตวันต่อไปต้ององ อ, อกรวงวันพรุ่งนี้ฉันจะเกลี่ยวแล้วเนี่ยเขากะเกณฑ์ไม่ได้ เช่นเดียวกันเวลาเราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณก็ปฏิบัติป้ายตามศีลสมาธิปัญญาคุณปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยแต่คุณจะไปกะเกณฑ์ว่าเอกิเลสฉันต้องหมดวันนี้พรุ่งนี้ฉันจะต้องได้เห็นสวรรค์ต่อไปฉันต้องรู้อดีตมันไปกะเกณฑ์อะไรไม่ได้หรอก ค, นะคุณต้องทําอย่างเดียวคุณสร้างเหตุอย่างเดียวธรรมาจึงบอกตอนเมื่อสักครู่เนี่ยว่าไม่ใช่ว่าเราจะมาแบบทําให้ปล่อยวางทําไม่ปล่อยวางโวยคุณต้องไปสร้างเหตุของการปล่อยวางสนะิคือเราจะไปบังคับจิตให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้จิตตตมมันไ่ีว นบางครับเราก็เหนื่อยเปล่าอย่างเราจะทําให้ม่น้ําเจ้าพยามันไหลขึ้นไปทางเชียงใหม่อะโอ้ยมันไม่ได้หรอกนอกจากคุณอยู่เมืองจีนนั่ะจะให้มันไหลมาเชียงใหม่พอได้อยู่แต่แต่มันมันมันจึงต้องทําตามระบบนะทำตามระบบก็คือทําตามระบบของเรียมรักหมีองแมันไม่ได้ยากด้วยนะคือถ้าตามตามมรัก8์แดอะคุณใจคือคือเราก็เป็นผู้ที่มีศีล่ะใช่ไหมรักษาศีลห้าได้อย่างดี เราไม่ดา่าใครไม่ว่าใครเราดูแลพ่อแม่เราทําหน้าที่ของมารดาบิดาทําหน้าที่ของลูกที่ดีทำหน้าที่ของลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ต่างๆเราทําหน้าที่ของเราอย่างดีแล้วเนี่ยชิว่าคุณปฏิบัติธรรมละนะปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณจะมาวัดก็ได้ไม่ต้องมาวัดก็ได้ไม่เป็นไรนะมาวัดมาเจอสมณะก็ดีเป็นมงคลเจอสมณะก็ไม่ใช่มากราบงอกงอ ก, งอกแค่นั้นไปนะแต่ว่าให้ถามปัญหาด้วยให้มีการพูดคุยสาขาชาด้วยก็จะเป็นการดี นะแล้วมาวัดทั้งทีก็มีการหลีกเร่นมีการปิดโทรศัพท์ด้วยนะี่ก็ยิ่งจะทำให้การมาปฏิบัติของเราเนี่ยได้ประโยชน์อย่างสูงสุดนะเพราะไงไงคุณก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านได้แล้วอะ่ะแมมมาวัดก็ทำให้มันแตกต่างกันซะหน่อยอย่างเงี้ยน ะ, ะแล้วก็จะเกิดอานิสงส์ที่ตามมาก็คือจิตเราเนี่ยก็จะรู้เห็นจะสงบอย่างแท้จริงนะเจ้าค่ะใช่ ทีนี้ในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเจ้าค่ะหลายคนอย่างสมมุติว่าโยมไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกหรือว่าวัดอื่นๆก็หลายครั้งแล้วนะเจ้าค่ะเปนนทีนี้ก็จะเห็นว่าบางคนก็จะบอกว่าพอนั่งสมาธิแล้วบางคนบอกตัวเบาบางคนเห็นเป็นนู่นนี่นั่น อ, อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะทีนี้เนี่ยยมคิดว่าอยากจะขอถามแทนท่านผู้ฟังทางบ้านนะเจ้าค่ะว่าหลายท่านคงไปปฏิบัติธรรมแล้วล ะ, ละแล้วก็นั่งสมาธิเหมือนกันบางที เราก็ไม่ทราบค่ะเจ้าค่ะ ว, าาว่าเราจ <AM S 2> ะไปถึงขั้นไหนใช่เจ้าค่ะว่าไปถึงขั้นไหนแล้วเพราะว่าเราทราบแน่นอนอย่างที่ว่าเป็นที่ตามพุทธวจนะอนุสาวรหรือว่าทางพุทธศาสนาเราบอกว่าก็จะมีะระดับเป็นโซดาบานละใช่ใช่เจ้าค่ะแล้วก็มีเป็นขั้นขั้นไปอนนาคามีสติ สกิทาคามีใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็เป็นพระอาหารหันต์อย่างนี้เจ้าคะทีนี้เจ้าคะโยมอยากถามแทนท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วก็พุทธศาสนิกชนอีกหลายๆท่านซึ่งก็อาจจะเหมือนโยมนะเจ้าคะไปปแบัติธรรมแต่ว่าเราอยากรู้ว่าจุดนจุดนั้นๆที่แตกต่างหรือว่าเราไปบรรลุ ต, ตรงนั้นแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะยิ่งบ่อน อ, อย่างอาการเอาไลกไปทีระดับก่อนนะเจ้าค่ะาาที่เริ่ ม, ร ม, รมแรกๆเลยบางคนถ้าจะต้องเจอเจอก่อนจะเจอพวกปัญหาก่อนนะเช่นคัน ปวดเมื่อยเหมือนตัวลอยๆอะไรต่างๆมันมีอาการที่เป็นปัญหามาคอยกวนง่วงนอนบ้างาคิดฟุ้งซ่ันบ้างอะไรพวกนี้เป็นปัญหาที่เราจะต้องรักให้ได้น ะ, ะทีนี้เราได้เคยคุยเรื่องนี้กันมาแล้วเ ร, เรากําลังจะพูดถึงปัญหาที่เราข้ามมาแล้วนะพอคุณข้าปัญหาได้แล้วเนี่ยคุณจะเจออะไรนะคุณจะเจเริ่มเจอผลที่ เ, เห็นได้เฉพาะตนนั่นก็คือเช่นความสงบใจบ้างความมันเหมือนกับวางลงไปบ้างขนลุกบ้าง ตัวเบาบ้างนะพวกนี้คือปีติสุขทั้งสิน้นนะปีติสุขเกิดจากอะไรล่ะโอ้ยถ้าคุณมาหลีกเลยเนี่ยยังไงมันก็มีปีติสุขอยู่แล้วนะถ้าคุณมานั่งสมาธิทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างยังไงมันก็มีปีติสุขเกิดขึ้นตามกําลังของของเราเองนะปีติสุขตรงเนี้ก็คือมีอาการเช่นขนลุกบ้างตัวเบาบ้างนะมีอาการเหมือนกับเวลามันผ่านไปรวดเร็วเหลือเกนนะนินนี่คือปีติสุขที่เกิดขึ้นล่ะจุค่ะ ทีนี้ปีติสุขจะพาเป็นผลอะไรทําให้เกิดมีความสงบระงรับมีความสงบระงับแล้วจิตเราจะตั้งมั่ น, น aling, จิตเราจะตั้งมั่นเนี่ยจิตตรงนั้นเรามีกําลังนะน fern, มีกําลังเราจะสามารถเห็นตามที่เป็นจริงได้เห็นตามที่เป็นจริงได้แล้วเราก็จะปล่อยวางได้เป็นขั้นเป็นขั้นไปอย่างเช่นว่าเราปล่อยวางความคิดฟุ้งซ่านได้เราปล่อยวางความเจ็บปวดตั้งแขนขาได้เราปล่อยวางเรื่องอะไรที่มันความเป็นอยู่ที่มันอยู่ยากกินยากอย่างเงี้ย แล้วราก็ปล่อยได้กินมื้อเดียวเราก็อยู่ได้นั่นนั่นคือลักษณะคือที่เราเริ่มเห็นตามที่เป็นจริงละจุ๊ค่ะนะสายเหตุปัจจัยคือมีตีสุขที่เราได้นั่นเองนะเพราะว่ากระบวนการที่เราทํามาอย่างถูกต้องนั่นคือเดินตามมรรคแปทีนี้ขั้นที่สูงขึ้นไปนะพระเจ้าก็พูดถึงการเจริญสมาธิเราได้สมาธิแล้วนะมีชั้นที่1นชั้นที่2อชั้นที่3าชั้นที่4เนี่ยอย่างใครก็ตามที่มาประพฤติพรหมจรรย์คือมาปฏิบัติที่วัดอย่างเง คุณควรจะต้องหวังผล4อย่างนะผลสี่อย่างในที่นี้ก็คือ Saint ure, สมาธิสี่ขั้นนั่นเองเนชั้น1ชั้นสชั้นสามชั้นสซึ่งไอ้สอย่างเนี่ยจะมีความสุขมากกว่าการที่คุณไปฆ่าคนแล้วมีความสุขมากกว่าการที่คุณไปพูดโกหกมีความสุขมากกว่าการที่คุณไปกินเหล้ามีความสุขการที่ไปลักทรัพย์มีความสุขพวกนี้ความสุขที่เกิดจากสมาธิเนี่ยมันมากกว่าพวกนั้นหมดเลยอย่างคุณตนใจลองเปรียบเทียบดูถ้าเย็นนี้คุณตืนใจไปห้างสัมภาระเดินตามห้างดูนั่นดูนี่ เพอเอเสียงเงินในกระเป๋าอีกกลับมาบ้านเอาของใช้ปีสองปีมันก็พังไปอีกนะเปรียบเทียบความสุขตรงนี้การที่เราไปจับจ่ายซื้อของกับความสุขอั จ, จาริยะที่เรามาวัดนั่งสมาธิจิตรวมลงเป็นสมาธิโอ้โหมีแสงสว่างจ้าขึ้นมามันความสุขมันเหนือกว่ากันนะเจ้าค <Okay. S 1> ่ะนะตรงนี้ก็จะมีความสุขที่เกิดจากสมาธิที่เหนือก ว, กว่าความสุขจากทั่วทั่วไปแล้วนะทีนี้ความสุขจากสมาธิสี่อย่างเนี่ยจะทําให้เราได้อันนี้สงสี่อย่างอย่างที่คุณตาใจพูดนั่นเอง นั่นคือทําให้เราเป็นโสดาบันได้เป็นสกทาคามีได้เป็นอนาคามีได้เป็นอรหันไดนะสีขั้นนี้เขาเรียกว่าเป็นเรียมบุคคลก็เรียกว่าเป็นบุคคลที่ประเสริฐใน4อย่างนี้ก็ยังแบ่งเป็นเป็นคู่นั่นคือมรรคและผลทั้ง4อย่างนะเป็นโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหันตมรรคอรหันตผลอรหันเริ่มพูดคําที่แบบว่าเป็น คำพระเทคนิคเขเทอมภาษา บ, บาลีมากเ่อนนะเอาพูดที่ภาษาที่คนไทยจะเข้าใจได้สมานแปลว่าอะไรนะแปลว่าพูดที่ถึงกระแสะถึงกระแสะอะไรถึงกระแสะนิพพานเราอย่างง่ายๆคุณท่านผู้ฟังฟังอยู่ตอนเช้าๆตื่นมานั่งสมาธิไปด้วยเอมีศีลไหมมีนะแล้วจิตเป็นสมาธิไหมก็เป็นนะไม่ได้กิจฟุ้งซ่านนะแล้วถามว่าตรงเนี้ยถ้าคุณทําไปเรื่อยๆนะคุณอยู่บนเส้นทางของความเป็น อรหันเลยนะอยู่บนเส้นทางถึงนิพพานนะคุณเป็นโสดาปัฏิมรักเลยนะเข้าใจไหมคุณอยู่บนทางมรักแปลว่าทางนะทางที่จะทําให้คุณเป็นโสดาบันทางที่กุศลจะทำให้คุณเป็นพูดที่ถึงกระแสของพนิพพานทางเส้นเนี้ยลาดับแรกเนี่ยก็เรียกว่าโสดาปติมรักทางนี้คืออะไรก็ศีลสมาธิปัญญานั่นเองเรานั่งรถเมย์อยู่โหนรถเมย์ไปทางานขับรถไปทํางานก็ได้แต่ถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญามากก็ตามน้อยก็ตามนะ คือคุณอยู่ในมรรคแล้วนะคุณเป็นอะรเงีบุคคลแล้วนะเป็นคนประเส ร, ริฐแล้วนะคนทั่วไปเขาดื่มเหล้ายัางไม่ตื่นนะคนทั่วไปเขายังไม่รู้เรื่องอิโนโอิเนะนะไม่รักษาศีลนะแต่เรารักษาศีลได้นะเรามีความเชื่อมั่นในพระรูปพระธรรมประสงค์นะโอ้โหคุณเป็นคนประเส ร, ริฐนะนะคุณเป็นโซลาร์ปิมากรนะถ้าคุณเดินตามทางนี้ไปเรื่อยๆนะคุณจะถึงความเป็นผู้ที่ถึงกระแสคือโซลาร์ปนฏะิผลคือความเป็นผู้ที่ถึงกระแสอนิพพานมีความเที่ยงแท้เป็นธรรมดา นะไม่มีความตกต่ําจากโลกนี้คือไม่ไปสู่นรกกาเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยธรรมทุกข์เจ้าฟันธงให้ความมั่นใจไว้เลยว่าถ้าดินน้ำฝนลมมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาแต่ถ้าบอกว่าคุณได้เป็นสวดาปฏิพลด้แล้วเนี่ยคุณจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งถึงนรกกาเนิดเดรัจฉานเปรวิสัยได้เลยสบายใจได้ทีนี้ถามว่าโสดาบันสสดาบันเนี่ยเป็นแล้วเป็นยังไงอะ่ะกุศจิตเราเนี่ยจะสบายในระดับหนึ่งเพราะว่าเราจะสามารถละไอความ มิจฉาทิฏฐิไดนะ้เราจะสามารถละความเครือบแคลงระแวงสงสัยในคําพูดของผู้เช่าได้เราจะมีความมั่นใจขึ้นมานะคือถ้าคุณปฏิบัติธรรมนะเนี่ยเราต้องหวังความเป็นอานอรยบุคคล4ขั้นนี้นะ <Okay. S 1> อ่าขั้นที่สองที่เจ้าพูดถึงคือสกทาคามีนะคือมาเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยอีกแค่หนึ่งถึงสองชาติานั้นนะเราก็จะไม่มาเกิดอีกนะคือโสดาบันเนี่ยเกิดอย่างมากอีก7ชาตนะิจะไม่มีชาติที่8 ก็จะเป็นชาติสุดท้ายนั้นก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้นะ<ช>ส่วนสกทาคามีนี่ก็ย่นระยะเวลาความทุกข์ลงไปน้อยอีกก็เหลือแค่หนึชาติทอนนั่นเอง1หรือ2ชาติทอนนั่นเองก็จะทําความสิ้นสุดแห่งทุกได้ส่วนพระอนาคามีนี่ก็เหลือชาติเดียวนะแล้วก็จะไม่ต้องมาเป็นมนุษย์อีกไปปรินิพานอยู่ในชั้นพรมเลยคือนะอนาคามีก็จะมีปริมาณความทุกข์ที่น้อยลงไปอีก นะจนกระทั่งถึงความเป็นพระสารคือหมดความทุกข์นับปัจจุบันเลยชาติที่เป็นชาติสุดท้ายไม่ต้องไปเกิดอีกไม่มีภพใหม่อีกนะความที่เป็นตรงนี้ก็จึงทำให้พระเจ้าเนี่ยแบ่งถึงความที่เป็นหลักกิโลเมตรนะเพื่อที่ <c oughs> ให้เราทําความเข้าใจว่าเอ้เราเราอยู่จุดไหนแล้วนะคือเราจะรู้ได้ไงเอาขั้นแรกก่อนเลยที่คุณจะต้องเจอนะคือจริงๆแล้วบางทีมันไม่ได้ผ่านเป็นลําดับนะคือไม่ใช่ว่าคุณจะต้องมาเป็นโสดบาบันก่อนถึง ค, คุณค่อยเป็นพระละ เป็นสกัตถะคามีไล่ขึ้นไปอน า, า, าคอนาคามีก็เป็นพระอรหันต์ไม่ใช่อย่างนั้นคือบางคนเนี่ยตุ้มเป็นพระอาหารหันต์เลยไม่ได้ผ่านโสดาบันก็มีสาวกหลายๆคนอย่างเช่นพระสารีบุตรเนี้ยผ่านความเป็นโสดาบันก่อนจึงค่อยข้ามพุ่งขึ้นไปเป็นพระอรหันต์เลยไม่ได้ผ่านอนาคามีไม่ได้ผ่านสกัตถะคามีสาวกหลายๆคนอย่างพวกอะไรหลายอย่างเช่นปัญจวัคคีย์อีกสี่คนที่เหลือเนี่ยก็เป็นพระอรหันต์เลย ไม่ได้ผ่านความเป็นโสดาบันก่อนแต่อัญญาโกฏัญญะเนี่ยเป็นโสดาบันก่อนแล้จึงเขาเป็นพระอาสน์อย่างนี้ก็มีทีนี้เราพูดถึงขั้นต่ําสุดก่อนคือความเป็นโสดาบันเฮ้เราจะรู้ได้ไงเราเป็นโสดาบันแล้วคือโสดาบันเนี่ยจะมีความไม่ผิดศีลคือเขาจะรักษาศีลอย่างสบายใจคือไม่ต้องบังคับจิตใจว่าฉันต้องรักษาศีลมีการฝืนมีการอะไรไม่เป็นจะสบายใจรักษาศีลได้ก็คือเป็นผู้ที่มีศีลห้าอย่างตั้งมั่นเลยไม่หวั่นไหว นะสบายใจละเรื่องของสีหน้านะไม่ผิดศีลที่จะขนาดว่าผิดหนักๆจนถึงทําให้เราไปเข้าสู่รถําเนิดด้วยสายเปรตวิสัยนี่จะไม่เป็นนะส่วนข้อที่อีก3ข้อที่เหลือก็คือมีศรัทธาตั้งมั่นอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์ถ้าคุณมี4ข้อนี้พระเจ้าเรียกว่าโสตาปฏิยังค่ะ4คือองค์ประกอบแห่งความเป็นโสดบั่น4อย่างนี้จำอีกนะครั้งหนึ่งคือสีหนบริบูรณนะ์ข้อที่2องสาคือมี ความศรัทธาอย่า ง, างลงมั่นไม่หวั่นไหวเนี่ยพระพุทธประธรรมพระสงค์ก็พอที่จะดาได้นะว่าเราเป็นโสดาบันจริงๆเจ้าค่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นโยมคิดว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่รวมทั้งตัวโยมเองนะเจ้าค่ะเกิดความกระจ่างแล้แล้วก็เกิดความหวังด้วยเจ้าค่ะว่าการที่เราจะรักษาสีลห้า โดยที่ว่าอยู่ในศีล5อย่างแท้จริงนะเจ้าคะแล้วก็มีความเชื่อมั่นศรัทธาในพระธรรมคําสอนเชื่อมั่นในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นะเป็นสิ่งที่เราเชื่ออยู่แล้วเพียงแต่เราต้องตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นเนี่ยก็เท่ากับเราเข้าสู่ขั้นของโซดาปฏิผลแล้วใช่ไหมเจ้าคะ่ะโซดาคือผลหรือมาร์กเนี่ยมันก็แตกต่างกันตรงที่สังโยชน์คือเครื่องรายรัตนะคืออย่างน้อยเราเป็นโสดาปติบัติแน่นอนแล้วถ้าเราลักเครื่องอื่นๆไปได้ด้วย นะ เ, เครื่องอรายละอื่นๆเช่นว่าละวิจิกิชาได้ละความมิจฉาทิฏฐิได้อันนี้คุณเป็นโสดาปฏิผลเลยอืเจ้าค่ะก็คือว่าตัดอะไรต่างๆปล่อยวางได้อย่างแท้จริงด้วยจิตของเราแท้ๆนะเจ้าค่ะใช่ๆ่สาธุเจ้าค่ะแหมเรื่องนี้นะ่าสนใจมากเลยเจ้าคายมคิดว่าอาจจะต้องต่อกันในสัปดาห์หน้าดีไหมเจ้าค่ะได้ได้ นะเจ้าคะเพราะว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วเจ้าคะ่ะก็คงจะกลับมาพบ ก, กันใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้าที่จะกราบนักบัณการพระอาจารย์ไพภูณี พ, าา พ, พิพุนโณแห่งวัดป่าตอนไหโศกนั้นได้เมตตามาสากระชาหรือคุยเรื่องนี้กันอีกนะคะคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยสนใจกันทีเดียวเพราะว่าพวกเราเนี่ยขณะนี้มีการปฏิบัติธรรมมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ เป็นที่น่ายินดีที่ว่าอย่างจากสถิติของวัดป่าดอนหิโศกเองเนี่ยที่ทราบจากพระอาจารย์ก็คือคนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยอายุน้อยลงเรื่อยๆใช่ไหมเจ้าคะาก็ยังมีเลยใช่ก็เป็นพวกวัยกลางคนวัยปฐมวัยมยัธย ม, มวัยอยู่มากขึ้นเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีว่าเราหันหาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าเดินมาเขาเรียกว่าเข้ามาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องละมาถูกทางแล้วนะเจ้าคะเด็กบาน สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังข้าเวลาหมดจริงๆค่ะคงจะต้องกราบน้ำมศการขอบพระคุณและกราบน้ำมการลาพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนพร้อมเปิดพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดที่โทภโซเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหสุกตำบลดอนไหสศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ในช่วงสายกระฉาเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะกราบน้ำมการลาและกราบขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเชิญบานสาธุเจ้าค่ะ